ตัวองเราถ้าราไม่สนใจไม่ละมาตะลัววงรักษาตัว เ, เพื่อศาสนาซึ่งเป็นการเพื่อตัวเองเลยเพราะดื้อดุความเป็นตึงอยู่แล้วจะเลือดได้ไงมันเสื่อมที่หัวใจนจัเลยถ้าจิตใจอ่อนแอก็ขอจิตใจเสื่อมคลายจากศาสนาแล้วนั่นแะศาสนาเสื่อมที่ตรงหัวใจถ้าคงเศร้าศาสนาะะเจริญนี่เจริญที่หัวใจ นในมายถึงการวัดถุเจริญความเจริญวงากาส น, านาั้นมายถึงคนที่มีศรัทธาพุทธริษัท์ทั้งสี่เป็นผํามีศรัทธาบวชตัางใจกระเพิดปฏิบัติตามหน้าที่ชี่นักบวชมีความมุ่ง ม, มั่นมีเหตุผลในการบู เความใชความเคารพต่อสาธารณธรรมไม่เหยียนย่อมทำลายด้วยความพุดโคงข้างกำลับทาง น, า น, ทนี้หนงศาสนาก็เฉลยเนเรื่องก็ถึงธรรมะก็คือปิดใจคิดไปในแง่ใดคิดเปภัยต่อธรรมะนั่นนั่นก็เป็นเครื่องทำลายธรรมะ สิ่งใดที่พูดเที่ยวห้ามสิ่นั้นคือภัยของหัมายินดียินรับในรูปเสียงกินรถเครื่องสัมผัสนะสัะสงเกตุท่านบอกนะไม่ยินดียินรัยินรั้ในรูปเสียงกินรถเครื่องสัมผัสที่มากระทบตาหาูจมูกนิ้วกร้จเงิน้านนมาเป็ น, นขั้น ในจิตใจยังขุวยินดีหน้าอยู่โดยจ้ตัวก็ไม่ทราบหรือทราบแล้วก็มาสนใจจะน้อมตะวันหาเดิอนก็คือการทําลายเดิอนอยู่ในในตัวซึ่งแล้วก็เป็นการทําลายศาสนาในตัวมันก็เสื่อมที่ตรงนั้นศั ส, สนาศาสนาแตเริญก็คือกาอปฏิบัติน้อมตะวานพยายามเดินตามหลักธรรมที่ท่านสอนในในยินดีพยายามแก้ไขในความยินดีในสิ่งที่ไม่ควรยินดี เงื่อนอบายสตปัญญาของตนจะเป็นบุกเปงเสียงยเป็นผิวเป็นรดเครื่องสัมผันใดก็ตามรอมแล้ววสิ่งมี่ควรมินดีท่านให้ยินดีสร่งทีนไม่ควรดินร้าก็จะไปกินร้ามันเป็นการสั่งผลกิเลสขึ้นมาทำลายธรรมที่มีภายในใจิตใจนะไม่เข้าใจอย่างนั้นสอนทุกเนี่ย่าสอนทุกามปลอดภัยทางด้านจิตใจดีหมายถึงหลักธรรม มาเนพวิเนยยาวไปก็เป็นพวิเนยละเอียดเข้ามาก็เป็นธรรมมันไม่ปรับโทษทางกายวาจาแต่ก็ปรับโทษอยู่ภายในจิตใจในตัวเองที่คิดถึกไปแต่ละข้างละข่ารแต่ละจินบางอย่างเกี่ยวข้องกับจินได้อย่างใดที่เป็นข้าศิกต่อจิตใจมันก็ทําลายกันไปในตัวในตัวนั้นเสริมอยู่ในตัวนั้นเองเหยียบย่ำทาลายอยู่ภายในหัวใจแล้วเป็นของดีเมื่อไหร่หัวใจเป็นของสําคัญด้วย แทนที่เราจะรับการพนุบำรุงรักษาด้วยสติปัญญาของเราตามหลักธรรมที่ท่านจงสัง ส, สอนสอนนีแล้วแล้วก็ทำลายตัวเองด้วยความเถือก็ดีด้วยความนอนใจก็ดียิย่งเกิดวเวกจตนาตัวแล้วไิ่งไปให่อันนั้นจะอาัาคชิตาหาความละอนานานันแน่นะทำลายตนเองแบบสดสดร้อน ทำลายศานสนาศาสนาที่สายไปไหนก็รู้พ่เจ้าคงอนให้โดยอดชอบทำแล้วจะไปแนวเ็นอื่นที่ไหนต้องชอบทมนั่นครับไม่ชอบทำก็คือเราผู้ทำผิดนั่นเองศาสนามีความละเอียดมากที่สุดปฏิบัติไปเท่าไหรน่นี่ไปเห็นไปเ่าไหนี่มีความละเอียดอ่อนลงไปโดยมหาทือขั้นไห น, น, นยดึดในแง่ใดมุมไหนเป็นความละเอียด จะคือแทบจะพูดว่โอ้สายของมือนันไม่สมควรจะตสนามัไม่ได้ตรงนี้นะนะครับพูดตามขั้นยากจิตใจของมันนี่กับตัดสนามันจะเข้ากันมันเข้ากันไม่ได้เลยพยายามหมุนจิตใจออกมาสู่หลักธรรมฝืนจิตใจยิ่งพรวนยิ่งเป็นประการกระแสของโลกให้พวงกระแสเข้ามาสู่ธรรมหวานก็อมขมก็คืนเพราะเป็นยา คือทำโอสถต้องฝืนตัวอยู่เสมอเป็นงพื่อเป็นการต่อสู้ทำให้มีการปืนต่อให้เป็นปนรจะจํายถากรรมตามเรื่องความเคยกินของจิตนันก็มีแต่พิเรศเป็นผู้ควบคุมชุดล่าประเด็นะ่ะหาเรื่องทําที่จะควบคุมวิ่ิตรละลายไปไม่มีในขั้นนี้ไม่หยุดมีพิเรศุดลัพธไปทีนี้เราจะ ทำให้จิตใจเราดีเราก็ต้องต่อสู้เพื่อการถุดลา่าจิตใจดทีนี้นจะชอบใจในอารมณ์ใดสิ่งใดก็ตามต้องฝืนใจดัดใจหากห้ามใจมีชีวิตเขาจะมีการต่อสู้กันเมืมีการต่อสู้กันอยเสมอมันก็มีทางชนะได้เป็นหลักเมื่อมีการชนะแล้วมันก็มีทำได้ที่ ก า, ารมเพื่อปฏิบัติให้เลียงถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระสงฆ์สาวผู้พาดงเนินด้วยดีถ้าดาเนินด้วยหลักอะหลักธรรมฉันทาให้พอใจใ น, ในผลที่ตนจะผืนได้เนี่ยให้พอใจในเหตุคือการกระทาทั้งตนเช่นเดียวกับพอใจในผล ที่ตนปะทะนิทะเรียกให้เพี้ยงให้หยยาบความขี้เกียดความอ่อนแอความกลัวตายมันมีอยู่ทั้งคันทุกหัวใจว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องของจิเหล็กเราจะเข้าใจว่านี้เป็นธรรมนี่เป็นเจตัวฝันจมภายในจิ ต้องอาศัยหลักธรรมเข้าไปแก้กันทันท้าเยียวยาิตตามีความฝักใฝ่ค่ายทำอยู่เสม อ, อมค่าย ป, ป่อจิตใจของตัวเองนั้นเนี่ยทำอยู่ที่นั่นค่ายต่อเน่ทางการลำบัดนี่มังสาแต่ในตากจับปัญญาทำอะไรด้วยความเรืเ่อยเกินปกติให้คิดอ่านแตต่า ในจิที่ทําคําที่ถูกทุกแง่ทุกหุมนี่เมียกว่าปัญญาพระุทธเจาสอ น, นด้วยความฉลาดแหลมคมมากเรามาสู่ว ง, งพุทศาสนาเพื่อความฉลานํานอุบายของทางนำสอนต่างต่างหัคิดหัดอ่านแต่งจอม อ, อยู่เฉยเฉยก็มที่เฉยก็คือความหลักรักความสุขเป็นความที่เกลียดการคิจฉา เนี่ยนั่นเนี่ย น, นี่เป็ความทุกข์แต่ต่อจิตใจไม่อยากคิดแต่คิดในสิ่งที่เป็นภายในจิตใจนั่นเลยยิ่งกว่ารีมันก็ไม่ทนันกันกับที่เล็กจึงเป็นสิ่งที่คล่องแคล่วร่องไวที่กุ์นอกกว่สติปัญญานั้นไม่มีอะไรจะตามทันตามพุทธพจนิพกในเรื่ถึงความทุกข์นั้นเป็นหลักใจมาเรื่อ จิตใจงความเค่งคึกเป็นหลักใจและความมุ่งมั่นความมีความแน่นหนามั่นคงและความมุ่งมั่นนั่นแหละจะเป็นเครื่องพื้นล้าความภาพเปลี่ยนความวิสัยพยายามประโยชน์แห่งความเพียนทุกข์ได้หวังจะหมุนตามความมุ่งมั่นโดยตลอดทุกข์ก็พอทนเพราะเราเกิดในธร้มการแห่งความทุกข์มาตั้งแต่ขณะตกข้อเูยอยู่ในขัดมีความทุกข์อยู่แล้วเคยอยู่แล้วมาโดยลำดาก ตั้งวันตกข้อออกมาจนกรทางปัติบัณฑ น, นี้เราเคยมาเท่าไรปึกยิ่งเด็กอายุเราสี่ปีสี่เดือนนั่นแหละเราเคยกับเรื่องความทุกข์มาเท่านั้นปึกเราจะปฏิบัติเต้ น, นลอยกับทุกในขณะที่เราจะประกอบความภากเพียนเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายเหล่านีเหตุใจเราควรจะนอนใจไม่มีใครจะกลัวทุกข์ซึ่งมีห น, น, น้ามีขนทุกข์พราะพิเรศเสียใจกิดใจนั่นเป็นทุกข์ที่ สำคัญมากเป็นทุกข์ที่เจ็บแสบมากยิ่งกว่าทุกข์ภายในภขันธ์ซึ่งแม้พวกทศกาวพระสาวกท่านก็ทรงรับทาบเหมือนกันวันทุกข์ในข้าในขันธ์เป็นแต่เพียงว่าพวกเหล่านี้ไม่สามารถาารทียย่จะคืนชาติเพราะไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจของท่านได้เท่า น, นั้นต่าง ก, กันกับพวกเราอั น, านให้คืนชาติอย่าตื่นเต้นในทุกข์ในเวลาต้องข อ, ของความท้าเพียงอยากก่าพูดว่าทุกข์ จนเกินไปยิ่งกว่ากลัวไม่ให้คนขบให้หาเหตุหาผลหาสติปัญญามากแก้ไขตป็นเองเวลาไปติดขัดที่ตรงน่นนติดขัดทังหมดคิดไม่เอาไหนหาเหตุหาผลทำความไม่เอาไหนของติดหนักที่เรื่อปัญญาความี่เกียดความที่เกียจนี้ก็ได้เป็นเศรษฐีปรุงพิธีทั้งสบัติเป็ทองและปัจจุบัน ไม่มีใครได้เพราะความขี้เกียา ม, มันมือสิ้สุได้เพราะความขายันหนัอเกลียผนะู้พ้นทุกไปได้ก็เพราะความเปลี่ยนดั ง, งึ้นกล่าวว่าวิทย์นี่รู้ความเกียดติเ น, ะ น, นี่ยผพ้ทขได้เพราะความเปลี่ยนนี้แยกได้ทั้งทางโลกทั้งทางคือทุกทางคราวะก็เพราะความขาดตกบกก็ตัดใจสิเชื่อใช่ไหมจ๋าค น, นอู้โผล่เลโผ จากที่เกียดมันก็ขาดเขินขาดตกบุกต้องก็เป็นความทุกมีความขยันหมือนเพียงต่อการตอบเแทนหาผลประโยชน์เอาเรื่องครอบครัวทั้งตงนเรื่องจิตทั้งตนความสุขก็มีขึ้นเพราะความเพียนทางด้านจิตใจก็ต้องอาศัยความเกียดที่จะตอบแทนเพื่อได้แต่ะอย่างละอย่เป็นลํำดับไปก็พรอหน้าทาั้งความเลี่ยนท่านจึงยกความเพีย ร, เ, ยรเป็นหลักสําคัญ เคื่องสมัตินุกนกสิทธิปัญญาโดยยกกิทิปัญญาเป็นสำคัญอันดับแรกเราเปกนผู้ขับขึบัตยาไม่มองอะไราให้นอกเหนือไปจากครู พ, พระพุทธเจ้ทเขาพระสงฆ์ที่เรียกว่าองค์แข่งแล้วแต่ละที่เป็นสตรลณะของพวกเราการทุกข์เกมือนเกิดขึ้นมาภายตูก็หันยกพพุทธเจ้าเข้ามา เป็นข้อเป็นสักขีพยาธที่เป็นข้อเทียบเท่าพระองค์สลบลงสลบถึงสามครั้งนั้นทุกหรือไม่ถูกคนขนาดสลบก็ไม่ทุกได้ทุกถึงขั้นสลบถึงสลบทุกถึงตายจึงตายได้ของเราความเพี่ยนของเราไม่ถึงขั้นสลบทำไมถึงมาตุนเป็จทุกอทำไมความเพียนเป็นแค่นี้เข้าใจว่าเปลี่นกก่รูได้ความเลี่ยนขนาดเราทันๆันตำไมจะอวดเก่งบ้า เจ็เจ็ก็คือเงินอุบายที่แก่เฉพาะต้องไปสาวงสองค์ความทาเทเพียบงบางองค์ถึงฝาเท้าแตกอันอี้บางองค์จากสกแตกมันก็จับเบาบาจับสุแตกต้องโสนะฝาเท้าแตกและนอกจากนั้นมีเยอะใเนี้ต่างๆซึ่งเป็นความลำบากถึงขนาดคือแบบความเพียมเด่น พลัง่เมือนี้ิเมเราขตความภาคภูอิใ้ถึงขนาด น, นาี้ไม่ทำงานต่อไปเป็นลูกศิษา์พระพต้องมี า, ามขยันเป็นคนต่างตระกันมีการพอกทัศนคติจะให้หาเสงจากกันหยุดไม่มีทคติเป็นเพื่อนพักษาอยู่นะไทยก็ไม่ควรสควางทุกข์ขึ้นจากใจ กิดก็รู้คิดเป็ น, เ, นเรื่องใดร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องหลอกขึ้นคิดเป็นเรื่องเป็นลาเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นลาขึ้นมาจากอภิตารุคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนําเข้ามาเป็นอารมณ์ของใายั่ว ย, ย, ยวนจิตใจรอกจิตใจวาดภาพตัวเองวันนี้เขาดูหนังแล้วหน่ะหนังสดหนังแห้งหนังสดก็เป็นลุงว่าลุงบานหนังส นางห้างก็อย่างคือเขาขายภาพพย oy ขายหนังเอานเงมาขายกันดีอนี้เราเคยต้องตัดสัมพันธ์กับเสียงกลิ่นแรถเครื่องต้องตัดมาซึ่งเป็นเรื่องฝดนั่นก็ติดแน่หนึ่งแล้วแนะนําสิ่งอนั้นมาเป็นอารมณ์ภ า, า, ายในจิตใจที่จะตัตีกาลงนีเข้ามาทําลายจิตใจของเราเป็นเรื่องเป็นราวเหลียงนี้เสมอเป็นเรื่องของความคิดคือั้งขานกับสัญญาทีางเขียนรวมกัน มีสติและหากห้ามติเสียทิ้งเรื่องนี้เึ็นต้องหลอกตนเองตืง่นเงาของตัวเองความคิดนี้ไปจับใจเป็นว่าเป็นว่าเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นลายต่างๆขึ้นมาอยู่ภายในจิตใจเจ้าของก็เพ้อเพ้อเริ่มไปไ ป, ไปนั่นคือความรุ่งหลงนั่นคือความแพ้เรื่องสมุนไพรที่ปลูกออกดอกเจ้าของ นี่เราเคยคิดเคยตุน ม, มาแล้วได้ผลได้ประโยชอะไรบ้างคิดอย่างคิดคิดอย่างที่ว่านี่เคยคิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรได้ผลเลประอะไรนอกจากกรอบครัวเรื่องพูดคำมางขอรงตัวเองเนั้นนี่ไม่มีอย่างอีกมีเราจะหาวายคิดแง่ใหม่เนี่ยในขณะที่จะ ท, ำทํำศีลต้องมีความสงบก็ต้องหา้าข้ามทั้งหมดไม่ให้ติดแสดงตัวอ ขยับออกไปไหนจะเป็นเรื่องเป็นราวพราจิตเมื่อจิตอยับตัวออกไปได้ก็สแสดงมาสิตแสดงสแสดงเรื่องราวได้แล้วแล้วก็ทําให้เราหลงไปตามเพลินไปตามได้เลยขณะที่จิตสงบไม่ยอมที่จิตก็ย่อไม่คิดอะไรไม่ปรุงแต่เรื่องราวอะไรขึ้นมามีแต่ความสงบความสงบยิ่งมีเรื่องราวเป็นความสุขขั้นของสมาธิเป็นอย่างนั้ เ่องขั้นปัญญาเรื่องราวของปัญญานี่แต่เรื่องราวปวดเครื่องที่เหลืออาสวะที่นอนเนื่องภาในจิตใจออกไปโดยยังหลับยั ง, งถ้าออกเป็นเรื่องก็ให้เป็นเรื่องปัญญาอย่าใเป็นเรื่องของโมหะอย่าเป็นเรื่องของสมุทัยยึ่งคอยจะละเครว่งตัวนี้เทไหร่ต้องฝืนนั่งสมาธิบัดให้ฝืนไม่น่านี่เคยทําอนแล้ว เวาจิตยันไม่เป็นลาอย่า ล, ลุกลุกคลุกพล่าทุกแสงเงาตั้งหรอกจิตไม่ได้แต่ก็พยายามหาที่ช่วยเหลือเลยหาสถานที่เหมาะสมที่จะช่วยเหลือกับวิริยะประเภทนี้มันจะได้ยอเนเพราะฉะนั้นจึงต้องเที่ยวหาอีตามป่าตามเขาที่เป็นพื้นหน้ากลัวอะไอย่นั้นเมื่อหน้าเมื่อไปอยู่สถานที่หน้ากลัวความเลี่นก็ตั้งขึ้นมา นม่ต่อมานอนแต่สติมือความเพียงตั้งของมันที่สติมันตั้งคอมฟังถ้าตายในสถามที่เช่นนี้ระหว่างไหนตายในเวลาเช่นนี้วันหเวลากาลังเผลอจิตใจเล่นลอยจะไปทางดีหรือทางวล่ะตากรหม่อมไ้หมดตายด้วยเสือนั่นแหะอยู่ป่าในเขาพอบเต็มไปด้วยเสืออยนเหมือนทุกวันนี้นะจะขอดเสือชุมมากไปตรงไหนมันจะเสือในนี้มันยีนแต่ื่อ เนเป็นรูปเสือในกระดาษมนไปยูในที่ถึงนั่งนั่งก็เหมือนกับว่าถูกมัดมือมัดเท้าไว้เย่ถูกมัดความเพียรก็ก้าเือดีสติปัญญาดีสติี่ดีเป็นกับทาพระมเหมันับพระพุทธเจ้าพระธรรมระสง์ซึ่งมีภาย ใ, ใจใิตใจจิตใจไม่ยอมให้ติดตุงถึงเรื่องเเรื่อง หนูเรื่องช้าเรื่องอะไรเท่าไงให้อยู่กับความรู้อันนี้หนูไม่เช่นนั้นก็ติดแนบไปพุกโธแนบอย่างยอมเป็นยอมตายกับคําบริกรรมอนี้ไม่ให้สมจิตตะกบหาเรื่องหาลาขึ้นมาหลอกตัวเองเช่นอยากซื้อมาซื้อห้จะมากินคนมากินเหล่าหนูหลอกกันนั้นนะจิดจะกระเพื่อมขึ้นมาจิตจะตืตกใจ กานจึงไม่ให้จิตกับเพื่อมออกไปสูงอารมณ์ภายนอกอันจะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องนั่นเลยนี่คือห น, นุนเตี้ยๆอยู่ในจิตทานในจุตอย่างยาวไม่นานจิตก็สงบตัวลงได้เมืออกเก่อจิมสงบตัวลงแล้วความกลัวทั้งหลายนั่นหายไปที่เคยกลัวนั้นทำหายไปหาความกลัวได้หายไปแล้วยังไม่แล้วความข้าหานิเกิด ขึ้นมาแทนที่กาหารสามารถที่จะเดินเข้าไปลูกคาหนังเสือซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมาแต่ก่อนนั้นด้อย่างสบายในเวลาที่เสือเดินผ่านเข้ามาที่นั่นนี่เราเป็นเราหารขนาดนั้นไม่ทราบสาเหตุเหนกันว่าทวามาหารคนนี้ เดินเข้าไปรูปคำหลังเสือทั้งทงที่เป็นจัดร้ายซึ่งจะก่อนกลัวมากและเป็นรูปคำได้อย่างสบายไม่สร ะ, ะทบกระท่านเลยเป็นผู้เห็นใจทั้งทั้งที่จิตมันไม่ได้รวมคือจิตเข้าใจมันคิดได้สบายแล้วเสือจะทำอันตรายต่อเราอย่างไรหรือไม่นั่ไม่สนใจจิตแ ต, แต่แน่ใจดีต่อว่า เธอไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยในขนาดแมะว่าเธอระยกว่าอะไรเทา่าไหร่ก็จิบนั้นมันเป็นที่กำลังของจิตในขณะนั้นรู้เธอเป็นที่ขนาดที่ว่าชัดรู้ว่ามีกลัวนี่แหละเวลาไปอยู่ในสถานที่กลัวๆมันดัดกับของได้ถึงขนาดนี้เลทีแรกมันกลัวก็เป็นตัวต่างดีไม่ดีเวลา เือกระหมกระกึ่ม ม, มันก็ไม่ใช่มากระหึ่มอยู่ข้างขทางก่งมันก็กระหึ่มลอยอยู่ตามเรื่องนี้แต่ทีนี้ตัวสัน่นที่ไนล่ะนะเนี่ยมันกลับคลิปจะเป็นความกลาาา้าถาญแเป็มที่แบบตัวสั่นเหมือนกันเดยเนี่ยติตมันฝึกได้แบนด้วยอุบา ย, ยที่ของเราฝึกฝึกเราจรึงต้องต่เชื่อหาอยู่ในถานที่เป็นนั้นเพื่อดับตันกาจิตกระเพื ดื้อดังางนีมันยอมจำนนเมื่อเราเคยได้ผลด้วยวิธีการหรือสถานที่เช่นนั้นๆแล้วเราจะชอบหาอยู่แต่สถานที่ที่นนั้นกำลังจิตก็มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยดังนั้นนี่เป็นขั้นแรกแข่งการปฏิบัติต่อสิ่งที่น่ากลัวในสถานที่น่ากลัวซึ่งเราจะอยู โดยอบังคับจิตมาให้คิดตูมออกไปในสิ่งที่น่ากลัวเลยให้อยู่กับคำวยกันเช่นพุโทโธพุธโทโธเป็นต้นเป็นแนบสนิกกับใจไม่อยอมให้คิดแม้ขณะหนึ่งให้ติดแนบเป็นไปนี่ต้องบังคับบัญชาขนาดนั้นถ้าเผลอไปนี้ตายนะเวลาเสือมากันอาการอาการที่สองเนื้อจมไปอีกหาคําดีไม่ได้เพราะต้องมีสติด นี่และท่นเดิมแล้ววิธีสุดความตู่ปราบความตัวของตงนแบบนี้พอขั้นที่สองขึ้นมาคือจิตมีความเปลี่ยนแปลงประเดุจดับด้วยการอบรมพอจิตก้าเข้าสู่ปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาท่านี้แยกขธามุแยกขันธันไม่อยู่แบบนั่นนะแบบที่เคยอยู่ไม่อยู่เพรามันกรน่ำกระือดังที่เขียงในหนังสืปัจจุบัน มันก็มือนเสือเสือมันมีอะไรที่น่ากลัวนะมังค้นะกลัวขนมันเหนก็เสือเห็นมันมีลายอะไรขนดังขนเหนือขนไนขนเราอยังนี้เห็นกลัวถ้ากลัวขนเสือขนเราก็มีก็กลัวขนเราไปสินี่ขนเราเห็นกลัวทั้งมั้นกลัวขนเสือซึ่งเป็นขนเหมือนกันเอาเล็บกลัวเบนี่เล็บเสือเหรอเล็บเราก็ยังมีเห็นกลัวเนี่ยไม่แก่กันอย่างนี้นะปัญญา แยกดูอัดูหนังดูเล็บดูเขี้ยวของมันกัวเขี้ยวไม่เหลือเขี้ยวเราก็มีเหม็นกลัวเนี่ยกลัวตามหรือตาแล้วก็มีเหม็นกลัวเนี่ยไล่ไปทุกแง่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างไล่ัไปด้วยปัญญาติดจออยู่นั้นบังคับอยู่นั้นไม่ยอมให้หนีพลาดไม่พลาดไปไหนเลยไม่มันขึ้มันพลาดไปไหนกำลังกันพิจารณาด้วยปัญญานี่รติสุดควคุมมา แยกไปแยกไปแยกไป่นกระทั่งถึงตัวหางมันเหนือทีนี้เราไม่มีหางมันจะเกินกรอบเลยนี่แล้วกลัวหางสูงแล้วอที่เราเองหางกว่าหางเรามีไม่เห็นกลัวมันไม่มีหางอยู่างเงีตั้งแต่ตัวมันเองมันไม่เห็นกลัวหางมันเราจะไปกลัวมันทําไมแหมมันก็เพื่อแต่นันเกินได้อืตัวมันเองมันยังไม่เห็นกัวหางมันนีะเราจะได้กลัวมันทําไมนถ้าแยกอีกนะเึงออกมาแล้วแยกเป็น หนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกธาตุถันทุกอวัยวะของมันมันแยกออกแยกออกด้วยกันญานี่มันถึงขั้นสัญามันแยกกัญดานี่มีจิเน่ากลัวที่ตรงไหนถ้าพูดถึงจิตจิตนั้นไม่มีธรรมยิ่งกว่าจิตเราจิตเรามีธรรมจิตเรามีหน้าจิ่งกว่าจิตของตัวและตัวหาอรลอกจะหอมมันมันแยกมัญญาได้ตับโดยส่วนร้อยมันไม่มีกลัวแล้วมันแยกข้าดกลัวอะไรธาตุเ่ย ทั้งว่าเสือผสมมุิกันขึ้นมันก็เป็นธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเองหนี่ mm. อันหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงไม่สะทกสะทานถึงขั้นปัญญานี้แล้วไม่สะทกสะทานในเรื่องความกลัวสะกลัวเสือกลัวอะไรมันพิจารณา yes, แยกเละได้อย่างรวดเร็วทีเดียวถึงขั้นมันรวดเร็วรวดเร็วมากพิจารณาแยกเยะเลยนี่เป็นขั้นหน่งของการพิจารณาตามขั้นของจิตพอถึงขั้นที่สามจิตมันเข้า ดูความว่ามันล่างจริงๆจิตเนาะพิจารารูปกายเหล่านี้ที่แรกเป็นรูปเป็นกายพิจารนณานเข้ า, ขามันเข้ามันก็ฆ่าจาับกันระหว่างจิตกับการอุปทานของทั้งทางร่างกายมันหลมดไปมันต่อยออกไปนั้นแล้วพิจาราต่อไปนั้นมันว่างไปร่างกายแม้จะมองเห็นกับเครื่องลางๆเป็นองา แต่จิตมันทะลุไปหมดเป็นของว่างไปหมดที่ร่างกายทั้งร่างมันหยุดขึ้นอยู่กัจิตเป็นของสองาําคัญเมือ่อจิตมันว่างในตัวมันแล้วร่างกายก็เลยกลายเป็นของว่างกตะจายไปหมดมองดูต้นไม้ภูเขานี่ไหนมองเห็นเป็นเพียงเงาๆแต่จิตนัมันทะลุไปนหมดว่างไปหมดเลยถ้าถึงขั้นว่างนี่มันก็มีนิมิตของเสื อ, ขอเข้ามาเกี่ยวข้องหพราะมันซูงคือดือดเสือเยียบดมันก็ดับทักนี่คามซูงอันนี้มันเป็นเสืออย่างเนะี้ย ตุ้มว่าเสือความตุ้มต่างหากเป็นเสือเสือไม่มีนี่หนาตุ้มแคบดับร้อมตุ้มตุ้มแคบขึ้นมาเป็นรูกเสือนะตุ้มเรื่องเสือมันก็ดับไปพร้อมในขณะที่มันตุ้มตุ้มเกิดขับดับพท้องทุนในหนาแล้วอะไรจะมาหลอกเรเมื่อต้นเหตุตัวที่หลอกมันอยู่กับเรามันตุ้มขึ้นมาอะไรมันก็ดับในขณะนั้นด้วยอํานาจของสติปัญญาท่านก็ไม่มีอะไรหลอกนี่ เป็นความสะดสบายอันหนึ่งวิธีปราจิตแก้ความกลัวแก้เป็นขั้นขนัขั้นต้นแก้ด้วยสมาธิขั้นจิตสงบไม่ส่งไปเรื่องของสิ่งที่น่ากลัวขั้นที่สองแยกธาดตุขันของสิ่งที่น่ากลัวแล้วออกให้มันเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นสภาพเพิ่มเดียวกับเราหรือเป็นดินหน้าหมุนไปเหมือนกันไม่มีอะไรแตลก lạ พอที่จะให้กลัวจิตมันก็อย่างทาบธรรนั้นมันก็ไม่กลัว รอบขั 3, ้นที่สามเป็นขั้นที่สามจิตมันว่างไปหมดแล้วปรงเมื่เรื่องเสือเป็นมาที่พับมันก็ดักพร้อมันว่างเปรุงอะไรขึ้นมาก็ว่างเป็นพราปรุงดักเกิดขึ้นดักเกิดขึ้นดักเกิดดักไปหมดเป็นภาพขึ้นมาแยกก็เหมือนหนังฟ้าแม่ท้องนั่นดับไปพร้อมที่จะให้เป็นภาพของเสือ ย, ยืนตั้งกล้าอยู่เหมือนแต่ก่อนไม่ม มันดับพร้อมดับพร้อมที่เราก็ทราบแทนว่าความตรุงตัวนี้เป็นสิ่งที่หลอกขนาดที่ว่าถ้าปรุงเป็นเสือก็คือทั้งขานี่แเป็นเสือเนี่ยมันจะอะไรเป็นเสือตัวทั้งขานี่เป็นเสือตัวทั้งขานี่หลอกตัวเ่งปัญญามันทําว่าทั้งขานเป็นตัวหลอกแล้วมันจะได้นตัวอ่ะไรแตทั้งขานก็เกิดกับใจปัญญาก็อยู่ที่ใจมันอยู่ด้วยกันมันรู้เรื่องของกันแล้วมันจะไปหลมกันได้ยังไงหน้าอุบายวิธีเราเคยฝึดมาอย่างนี้เป็นขั้นขั้น เันมันเลยจากนั้นแมันก็หมือน ม, มีอแต่ความว่างนั่นเป็นพื้นถึงจิตจะผ่านพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงหรือว่าดึ้นแล้วโดยส ม, มุนกันตาความว่างข้งจิตนี้ก็เป็นพื้นแต่มันมีต่างกันอยู่ที่ว่าความว่างของจิตในขั้นที่พิจดณาเสือที่ว่านั้นมันว่างทางวิปัสสนามันไม่ได้ว่างด้ความบริสุทธ ว่างเขายุติปัตนาตัวจิตเองมันยังไม่ว่างมว่างทางความรู้สึกนั้นตัวจิตเองก็ว่างสิ่งทั้งหลายก็ว่างมันว่างไปหมดแล้วประวางไปหมดเพราะเป็นฉะนั้นจะอะไรมาคิดมาถือเพาจะจิตที่หน้าทัวร์ตัวอะไรตัวตนอยู่ที่ไหนหัตถสาราจินอยู่ที่ไหนมเป็นเรื่องสมมุติอันหนึ่งอนน่งที่ปลุกแต่งขึ้นเท่านั้นเนาะถึงขั้นนั้นแล้วมันพูดไม่ถูกละที้ จะกลัวมันจะพิจารณาแท้ความกัวอย่างนั้ น, น, น, น อ, ไไ อ, อย่างนี้มันมันพูดไม่ถกแล้วไม่พูดจะดีมาพิจารณาไปมาลุ้นเองนี่พูด่าอย่างนี้คู่ตามหลักความจริงที่ได้ปฏิบัติมาขอ้ท่านทั้งหลายได้นํามาพิจารณาแล้วปฏิบัติตนหนนั้คืออาจจะไปไหนถ้าไม่ไปในแถวแนวเดียวนี้ไม่มีทางอื่นไปทางไหนไปตามหลักความจริของทางท่าปฏิบัติเป็นอย่างนี้น เมื่อกิจถึงขั้นว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในคือจิจพระบาษีศึกเต็มที่แล้วมันหมดละปัญหาประการทั้งกลวงเพราะมันเป็นสมมติอันนั้นมันไม่ใช่สมมุติแต่ว่าแล้วตอนยัดแต่ไปเรื่องว่าอะไว่าก็ไมีอะไรขัดข้องไม่มีหิวมีกระหายมีอะไรสบายใจหบทเรื่องท่างตัวหมดเรื่องเรื่องสมมุติทั้งหมดนั่นแหละคือเรื่องสมมุติทั้งหมด มาเกาะมาเกี่ยวข้องกับใจวิจัยไปเกี่ยวข้องเราสมมติทั้งหลายนั่นเรียกว่าเรื่องที่เมื่อไม่เกี่ยวข้องนะรู้เท่าทันกันด้วยไม่เพียงว่าไม่เกี่ยวข้องรู้เท่าทันกันทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแล้วอะไรจะมาเกี่ยวมาเกาะนันก็ธรรมไตรยการพึกผักตนทันหาวายทันเวลานั่งภาวนาถ้ามีความเจ็บปวดแสบร้อนก็คุณใช้ปัญญาให้มากอยากไปจ่อหรือเฉยกับ ทุกขเวทนานที่มันเกิดขึ้นถ้าค้นหาสาเหตุของทุกขเวทนานี้เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นทุกขซึ่งเป็นตัวผลเช่นนั่งนานก็เป็นเหตุให้ร่างกายบอกช้ำให้ร่างกายเจ็บเหมือนเราทราบแล้วลมันเจ็บที่ตรงไหนถ้าจะติดต่อลงไปตรงนั้นแยกดูหนัง ห, ห, หรือเป็นผู้เจ็บเนื้อหรือเป็นผู้เจ็บก็ดูเพื่อเป็นผู้เจ็บ หรืออวัยวะส่วนใดเป็นผู้เจ็อวัยวะส่วนนั้นๆมันรูปตัวของมันไหมว่ามันเจ็บนะแล้วทุกเวทนาที่กําลังบีบตัวอย่างสาหัสเวลานี้มันมีมันชาพร้อมหมายมันไม่ว่ามันเป็นเวทนามันเป็นตัวบีบขีดทั้งหลายเป็นตัวบีบขันมีรูปตะขันเป็นต้นมันชาพร้อมหมายมันไหมมันชาแล้วมันได้บีบอะไรไหมเมื่อไงย้อนมาดูเวทนามันก็สักแต่ว่าเวทนาดูไปดูหนังเองกระดู แ, แล้วส่วนนั้นส่วนที่วเป็นตัวทุกเป็นกองทุกมันก็เป็นหนังเลืเก่กระดูกตามหลักธรรมชาติของมันองต่างอันต่างไม่รู้เรื่องของการต่างอันต่างไม่ทราาความหมายของตนและของกันและกันแล้วผู้ใดเป็นผู้ไปหลอกลวงไปผู้สําคัญมันหมาว่ามันเป็นทุกอย่างเป็นทุกเดือดร้อนนวันย้อนกลับมาอาจารมันก็นมาถุกขี้ใจแล้วแยกจากใจไปหลายครั้งหลายหนเมื่อเห็น อาการของส่วนร่างกายที่ว่าเป็นทุกข์แต่และอย่างนั้นมันเป็นความจริงไม่เป็นไม่เป็นทุกข์แลวว้วเวทนาก็สัจจะเวทนาเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เห็นตามความจริงหมดแล้วก็ย้อนมาเห็นจิตจิตก็สัจแต่ว่าจิตสักแต่ว่ารู้เมื่อต่างอันต่างจริงในขั้นนี้แล้วหนึ่งทุกเวทนาสองอันใดที่เป็นอยู่อย่างไเป็นจริงตามสภามันหนนั้นะไม่มาเหยียบย่งทํงางานมากระทบกัน มีวิถีพิจารณาชาพิจารณาเห็เ น, นตามความพินเกิดอย่างนี้แล้วมันเกิดความอาหารนะไม่ใช่าธรรมดานะอาหารเหมือนกับว่าเอาถือสารนี้แป้งคูเขาลกไหนคู่เขาเนั้นแตกกระจายเลยนู่นอ่ะดูสิความสามารถอาหารทุกจิตของปัญญาทั้งทั้งที่เอาหงวงวัวแป้งไปคู่เขาคู่เขาแตกความพินก็หัวมันแตกนั่นแหละแต่ แ, แต่แเราไม่ได้เอาตรงนี้แล้วเอาตรงที่อำนาจของปัญญา ความฉลาดแหลมคงความกล้าหาญของสติปัญญามันมีความสามารถขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงสามารถเกลี่ยที่เด็กในจิตที่มันยึดมันถือเช่นทุกเวทนาในเมื่อในการจิตได้โดยลําดับหมนเห็นทะลุปปันหมดทั้งิเลิศประเภทต่างๆที่มันอยู่ภายในจิตใจ ค, ใจคใน้นสติปัญญาไปไมาได้กำหนดนักที่ปัญญาสมาอาภานะความสว่างสมมด้วยปัญญาไม่หมด ผูกปัญญานี่แทนเป็นแหวนทะลุกพราะนั้นจึงพากานรักษาสติให้ดีในบ ท, ทต่างๆยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่อะให้พึ้นประคับประคองสติให้ดีถ้าไม่ได้พิฒณาในแง่ดัสติ อาจจะเมื่อสติมีอยู่กับจิตจิตจงเรื่องอะไรรู้นั่นหละคือผู้ประกอบความเพียนอยู่ทุกเอียบถ้ามีสติกำกับใจแี้เรียกว่ามีความเพียนอยู่ตลอดเวลาหากสติหาไมา่แล้วนั่นแหละคือการขาดว่าขัดตอนนั่งความเปลี่ยนแม้กันนั่งสมาธิภาวนายอยู่ก็จับจะงหวนั่งมือหัวต่อทิฏยาทั้งิไม่ทำความเพียนตามประโยคภยักเดินยัตรงอยู่กับกจับจังหวะเดิน อยว่าแต่เดินวิ่งวิ่งเถดถ้าลงก็ขาดสติแล้วไม่เประยอะไรสู้ไ้งจุ้ม่ได้หกไติดหกเมันวิ่งจั๊กจั๊กกแไม่มีสติดีเรียกว่ามันเก่งน่นน ไ, ไม่ใี่อคร่อให้ท่นบรรยายที่ า, าท่านน่าังั้งาัั้งั้งตั้ตัตั้งตััััต มาอนะรั่นพระพุทธแม้จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งก็รจริงดยอ่การโดยสรุปความแลงว้ก็เป็นอันเดียวกันเป็นแต่ยังเยียวยงกันท่บุตโตทสโบเทตากโนตันเนไทายตู สั้างโคจะรโลกบุตรศักดิอิเกการ์พัฒนาดีดพระพุทธเจ้าแต่สรัปพระธรรมพระธรรมพระสงฆ์สงไว้ถ้าสงเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคือเป็นอันเดียวเวลาไม่พลาเล่าเป็นอันเดียวผู้ไดเห็นธรรมผู้เรานั้นเห็นเราตาโก ทำมันแลแ้วพองตาโคตรแท้หรือจิตที่บริสุทธิ์มันเป็นธรรมแล้วเป็นธรรมทั้งดวงแล้วพ้นจากสมุติน้วขาไมมีปัญหาอะไรจะมายุ่งกันที่ยุ่งที่สุด ก, ก็คือส ม, มุนนั่นเองเขผ่านจากสมุสมิของยุ่งนี้เล่ามันคง ม, ม, มอะไรยุ่งฉะนั้นจวาวกมีงสี่แสนองคังเป็นอสระเขาเหมือนกสน นักปีเตอร์ปลาผิวความยิ like like that, it, ่งหย่อนต่างกันไม่มีนับแต่พระพุทธเจ้าเรามาจนมาทั้งถึงสาวองค์สิดท้าจะหาความหย่อนต่างกันนี้กว่กันดูความริทางความบริสุทธิ์นี้ไม่มีนอว่าก็เห็นธรรมภูริรัตนธรรมก็เห็นธรรม่นมันจะเริ่มมีใจประพฤติปฏิบัติทำไมเห็นทํามจะเหล่าน้ท่านมีู จุดนีควอมสงบเรียกจิตได้ดุงวัฒน์แห่งพระธรรมเข้าไปโดยระดับก็เรียกว่าเราเห็นพระคุทธเจ้าเข้าไปโดยระดับแล้วแมยังไม่ตลอดครัวสิงก็เป็นปฐษีปยานได้แล้วจนกมะทั่งจิดด้ถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เห็นพระทธเจ้าเต็นอกพุทธทะแท้จริงิทธ่ใจผนี้เป็นชั้นใด พุทธะทั้งหลายก็เป็นฐนนั่นเนี่ยเพราะพุทธะนี่กับพุทธะนั้นเป็นอันเดียวกันเหมืนอน ก, กันไม่ใช่อะไรยิ่งใหญ่กวกากันนั่นคือทาคาพุทธเป็นตัวทาคพุทาพุทธิแค่เพีพพอยอะไรถ้าเห็นใจคือของ เป็นภูมิเป็นดวงแล้วก็หมดปัญหาพระพุทธเจ้าจะประทานกี่ปีกี่เดือนหรือพระพุทธเจ้าองค์ใดตอนนีิผ่านปีปี่เดือนเมื่อ ไ, ได้ไปคาดนัสถานที่การไว้นักเวลามาช้านานเ่ยเยพราะธรรมชาตินี้ไม่มีการไม่มีเวลาสถานที่ไม่เกี่ยวข้องเลยเป็นอยู่กับกิตเพื่อทีเดียว เ, ยเห็นนี้ชัดเจนก็ เห็น่าพระพุ้าเจนไม่สงสัยอันนี้ก็ไม่สงสัยพระยุททั้งหลายเนี่ยคิดเเข้าถึงนัแล้วจะเอาอะไรมาสงสัยความสงสัยมเป็นสมมติแน่มันเป็นเรื่องมันทำให้เกิดเรื่องว่าสงสัยหนะน่ะ่ีเราคิดนาทั้งแ้่คิดจนหลังตั้งแต่เลิออกบวช แล้วเริ่มปฏิบัติมานี้มันไม่ลืมนะเริ่มบอกปฏิบัติเนี่ยไม่ลืมครั้งาบวนมาธรรมดาก็เป็นอย่างเวลาเราหัดภาวนาขอเราตามภาษาแต่นิสัยมันชอบกรรมฐ า, านมาแต่นแต่ไรเห็นพราฐานนี่โดดถึงเลยแหละชอบท่านเท่าที่ยังมีสือยัใ น, น, ว, น, น, นวันโยธาไม่ได้กวางเห็นต้องกรรฐานเราทลาดด้วยนี้ข้าไป ถ, ถึงท่านค่อ คือ ท, ท, ทางหน้าฟคือว่านาฟังกนสุดเราก็มาทำของเราทำสิดมี ค, มมกกความสงบนอนโดยไม่คาดฝันโอ้โเกิดความติดอกติดใจก็หยิ้มยิ้นย่องจุล่ะอือน ม, มันไม่ลืมนะเรียนหนะังสือที่เจ็ดสีจิดรวมด้วยสามหนเท่านั้นแหละมือมันเป็นสิใยข้าวหลังมา ขยับ เ, าเอาแเรื่องอดีตมาจะเขาเป็นอย่างนั้นจะ ง, งานไม่ทํา้ก็ไม่ได้อยู่ทีนี้พอเราางๆไปไม่ได้เรื่องเราไปจางๆไปจิตมันแต่ยุทธ์าภานาแต่อีกทีขยับเขอีกลขยับเขาจะมนเป็นอย่างนั้นอีกนันไม่เป็นเสียเพราะจิตปรอารมณ์อดีตที่เป็นผลมาแล้วแล้วผ่านไปแล้วนั้นนันไม่อยู่ในวงปัจจุบันคือพุโทโธพุโทโธที่พาวนา อันนี้เพือนมาเป็นนักปฏิบัาิเป็นข้อดิงดันกองประชาชนก็ตอนที่เราผิดเราเจิญเล่าเสืองเจริเล่าเสียงสุดท้ายเรัวขปล่อยให้หมดเจริอะไรก็ตามเสือนี่ก็ตามน้าสมมติป่วยท้วยกษ์บูโพนาพุธนเราไม่ยุ่งรืดมก็ดีอะไรเคยเป็นมาเคยเสื่อมมาบ้ากน้อยจะเป็นผลยังไงเจริญมามากน้อยเท่าไรเราไม่สนใจทํามันเราเจ้าพุทโธอย่างเดียวนี้เวรา ขยับวัุโตปล่อยอารมณ์แบบนั้นเขียนี่มันก็เจริญขึ้นมาไม่สูญทอนไม่ไปยึดมันก็ไม่สื่อนี่จะเป็นจักยกิจว่ญญาณไม่เราผิดด้วยประการใดนีเวลาสอ น, นเพื่อนน้องก็เป็นครูเ็นการไม่ด้อย่าล่มลุกคลุกครันการภาวนาผมได้ไมาลืมนั้นนี่ผมผมเ ค, คยมีร่างมนะีเพื่อนฟังระ นี่เป็ดกระดาษทอนายอยู่นะทัศนศาที่จักราดมาจักราดอําเภอจักราดจีงวัดภูรัตน์นีน่นอนทอนานตอนนั้นจํงไม่ถนนอนทอนาจจิตมันรู้สึกมันมันสงบค่อยยิค่อยย่ย่อย่อเลาะออไปหดตัวเขมาคือความสงบ แต่ไม่สงบมากนะนะพอสงบรู้ได้พอสงบนั้นะปรากฏมีตาประขาวคนเดินเดินม า, มา ด, ดูอหน้าเร า, าก็มาวานเสร็จคนกรรมขาอายุประมาณปะห้าสิหรืออย่างสูงก็ไม่เลยหกสิบคนรูปลักษณนะพอดี ทุก ส, ส่วนจกกัดพอดีทุกอย่างแต่ทือพันธนาควิสุจน์นี่หน้าตึก ข, ขาวพอมันมันมายืนตงหน้าอนะเราก็พากฏว่าดูแค่ดูตาพระขาวนั้นคนมองมาหาเราแล้วก้มลงนับนะข้อมือให้เราดูแต่ยังไม่เลยนะล้วข้อมือ ไม่ได้บอกว่า1หนึ่งสองสามนี้ำให้เราดูมันไม่ลืมนมันติดตาไส่อย่างนี้ทำไปนี่คือดูด้วยจะทำพอถึงข้อที่9นี่พอป๊บตรงนี้มันรู้สึกว่าหนักมือตรงนี้ปักเนาะมือหน้าเริ่มดูแล้วเริ่มดู ตัวลูกนี้เหมือนว่าตาขาคนมาบอกอย่างนี้เลยบอกว่าเก้าปีสำเร็จเพเก้าปีสำเร็จเนื้อตาขาวก็เดินกลับหายเงียบไปพอจานั้นจิตของเราก็พลอยมาเก้าปีสำเร็จนี่เราก็เจ็บเจ็บปีนะปวดหนันี่สำเร็จง่ายเร็จง่าหรือไทยหรืเราก็เก้าปีสำเ็ ข้ากานานเอาใหญ่แต่ก้าวครูสเร็จนะบวชนมาคิดได้คิดว่าบวชนมาข้าปีนี้สำหร็จเ้าเล่นงอนนานพรรษาเก้าออกแล้วจิตมันยังเจริญลส่วแล้วเสื่อมอยู่งั่นพรรษาเสื่มมาจรษาคราชเอาพรราพรรษาเป็นพรรษาแปมาจำพรรษาที่แปดนะพรรษาเอออกปฏิบัติพรรษาแปดมาจำรษาครเป็นพรรษาแรกแห่งการออกปฏิบัติ หินมันก็เดินนิดหนึ่งแที่ว่าเสื่อมมาทากดไม่ไดเสื่อมนี่นเสื่อมนอมมันพรรษาแก่ไม่ทันพราเก้าผ่านไปแล้วมันยันเดินเสื่อเดินเสี่อมไม่หยุดมันถึงเดินเมษาโน่นนมแล้วพรรษาเก้าก็ออกไปแล้วทำเสร็จได้ดไงคนเป็นบ้าอย่างนี้มันเอาทำเสร็จอะไรมาสแบัติแต่มันก็คิดกระตักอีกเนี่ย น, นี่จะเป็น ออกปฏิบัติเก้าปีได้สำเร็จนานวะมีถ้าเก้าปีในการออกบวชนับการออบวชมาถึงเก้าปีไม่สำเร็จหรือจะหรืจะเป็นเพราะหรือจะเป็นปลายางว่าออกปฏิบัติไปเก้าปีสําเร็จนานึี่มันก็เลยปล่อยลนปะล่อยที่ว่าเก้าปีในการบวม่สำเร็จมันไม่สําเร็จนี่เก้าพรรษาล้วก็ไปถึงเก้าปีจนเข้าบรรษาปุดนี่มันต้อง แต่เดินในศาลไปแล้วนะั้นมันจเจริญนั่นแหละจริงทางสมาธิจเจริญนะไม่เสื่อมนะพันศาสิ่งเป็นพันศาาที่ทุ่มเต็มที่กําลังนิจจาร์ท่มความเพียรนี่เต็มที่ในชีวิตของเราเท่ากับความเพียรที่เกี่ยวกับประโยคยายามทางร่างกายด้วยนี้เป็นพันศานั่นเป็นพันศาที่เด็ดที่สุด มันถึงพรรษาสิบเข้อพรรษาแนละ้วมันก็หมดหวังที่ว่าเก้าเก้าปีสาเร็จแสดงว่าไม่ใช่เก้าปีสําเร็จในการออกบแต่เก้าที่เราคุเป็นเก้าปีสาเร็จในข้อการปฏิบัติปฏิบัติเก้าปียังมีสำเร็จคิดใหม่นะ่ะอันนั้นคงไม่ใช่คงจะใช่อันนี้ว่ามนะันน่ะคือเก้ามีสองเก้าหนึ่งเกา้ า, า, 9, า 9, 2, ตั้งจั่วบวชวันบวชมาจนกระทั่งที่พรรษาเก้าเรียกว่าเก้าปีสองตั้งแต่เริ่มงบวชปฏิบัติ ไปจนกรทั่งถึงเก้าปีเลงสำเร็จมีอันอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้คือการรู้สึกว่าตักรนนั้นเล่นเก้าปีผิดพลาสิบสิดรู้สึกว่าแน่ใจแล้วเรื่องความเสื่อมมันไม่เสื่อมเพราะความเพียนเอากันอย่างเต็มที่มัอบอกวิถาช่าเมอสิดมันได้ฐานได้อะไรชัดเจนแลี้ว จนถึงกับป่บุทนะันเออตรงอย่างนี้ไม่เชื่อมนี่ไม่เสื่อ ม, มชัดเลยเออมาถึงพรรษาที่หกนี่นะเอาสรุปเล ย, ยพรรษาที่หกรวงแล้วตอนนั้นปัญญามัมนเป็นธรรมจักรนะนั่นนะออพรรษาที่หกในพรรษามันเป็นธรรมจักรแล้นี่เต็มที่คนวะาม มันเป็นอตัตโนมัติล้วแหละนี่สติปัญญานมังไม่ท้องออกปัษาพอออมพรรษาปั๊ปบบในวันนั้นมันไม่สำเร็จนี่วะทำไมอย่างที่มิจฉาบอกมากรดายนิดให้เราเห็นว่าเก้าปีสาเร็จมันเราก็คาดมาแล้วขอนหนึ่งมันผิดคาดขนนที่สองนี่จะเก้าปีออกในการออกปฏิบี่ิก้คนนี้ก็ออกปัญษาแล้ววันนี้ ยังไม่เห็นสาเร็จเลยแม้จิตเจียกขนาดไหนมันก็ยังมีจิตียวกีจีต เ, เดียกสาเร็จได้ยังไงคำว่าสาเร็จในนั้นบอกถึงสาเร็จถึงที่สุดของพัธุ์น่ะเื่อไม่เกิดจิตสำเร็จธรรมดาพันธัน์นั่งนนี้นี่จะทำไันอิไม่ไมแน่ีเพียงพวกเดียวกันะแต่ท่านกันดีนะอุมาท่านดีนะเรานั่นด้ดยกบูชา หวานเท่านั้นนกรทั่งฝันนี้ผมไม่ดูนะนิสผมไม่ค่อยดูปรุ่นขอบใเรื <c oughs> ่องถึงบุญนั้นคุณคนนี้กระตันดูนี่เราชัดในจอันนี้ก็าคุณคนไม่เป็นเป็นนิสัยกระตันดูก็ตัวเลขทีผังใจจริงอันนี้แบบท่านตรนนี่เราเวเลาาฟังเก็บมาได้เก้านปะีอันนี้ไม่บอกใครเลยวันนั้นมันหมดหวังแล้วอเลรนี่ผมจะเล่าให้ท่านฟัง นะผมโแบบไอ้นี่มาฝังสามวันในกินี้ไปเก้าปีแล้ว น, นิดๆหน่อยๆะเล่าเรื่องความเลีไหลผมไม่ไังมาเป็นงไแต่พูดเฉพาะท่านนะทะาจะไปพูดให้ใครฟังผมจะฝังไว้ในหัวใจนี่จะชื่อแน่ด้วย <c oughs> มันก็เลีไหลก็ได้นี่จงมาเล่าเรื่องความเลีไหลให้ฟังความโกของเขาอ๋อโอเคนะก็เลยเล่า <c oughs> รประการนี้่าจนกระทั่งมาางงมาถึงพัาเก้า คี่ว่าเก้าปีนี้เด็ดนี่ก็ปักหาแล้วในวันนี้เดี๋ยนีม้มันยัไม่สุดจริงยังียู่ละเอียดแล้วเด็ดยู้อยู่ก็ชัด ม, ม, มันก็ไม่สิ้นก็แสดงว่าเนี่ยนี่โกงอย่างชักเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นท่านบานังด์ที่เราไม่อยู่นะคือค า, า, าว่าเก้าปีก็เด็ด น, นี่เก้าปี น, นี่ประมาณเก้าปีต้องกจะออกพรรษานี้ไปชนพรรษาหน้าเลยอนะทันวันนี้นี่มันเป็นโอกาส ข, ของเก้าปี ของเก้าปียังไม่อยู่ดีดีดีเมื่อถึงข้าววันสามน้าวันไหนก็วันนั้นแหละถึงจะหมดเสดของเก้าปีนี่เท่นั้นนิดกวเท่านั้นะก็อย่างนั้นแล้ววะมัมนมมขขยังไม่หมดยังไม่หมดอายุของเก้าปีน้าเมื่อหมดก็นู่นวันเข้าววันสามวันไหนปัญหทาที่สุดเมืออ่อไหร่เรา ของการปฏิบัติเมื่ อ, อไรแล้วนั่นแหละจึงจะหมดอายุอันนี้ถ้าทิ้ถ้าจะตำหนิก็ตำหนิได้เวลานี้ยังไม่ควรตำหนิดนยืนยืนในใจมีขวานเฮานั่นอมีกำลังใจที่เหนี่วั้งทั้งทีใจมันก็หมุนตีดตอยู่แล้วแหละแล้วมาเพิ่มกำลังใจอยฟาดเาเปอย่างนหนัก <laughs> เลยนี่เกิดนี อ, นนอันนี้อันนี้แต่แต่ทั้งทัแต่ตทุกถ้าลงไดง น, น, น, น, นี้นิดมันแสดงในให้เป็นกระทันหันมันไม็ค่อยผิดค่อยผลาดนี่นแหละตอนมาปิดงานเรื่องเกี่ยวยงแม่เหมือนกันมีก็เป็นหนึ่งมุ่นภูเขาอันนี้เลิ่มพาระเระเื่องเกี่ยวนี่มันก็หมดปัญหากันไปเนี่ยทนได น, นึ่งตากรเกี่ยวโยงแม่ ถ้าเราไม่อารมม่บวนี้ก็ไม่ได้มัเกี่ยวแล้วอารมแม่บนต้องเป็นั่นตามม่มีใเป็นจีนี้ต้องเป็นั่นไม่สมใและเป็นริงๆการนั่นผมถึงไม่อะไรพูดเพราะมันเป็นารรมจริงๆแล้มันก็ตั้งสำนักมิว่าแต่ฟังผมมมีสำน่งทางนใสเราอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ไปเราทำไมออกภาษาราขายเงียบหายเงียบปัญญามาหายเงีย เหมือนนอกนี่จะปีกเขาหาตงตรนั้ น, นี่มายองแม่บวจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างว่าจงลุญพลังพงอไม่มีทางแก้ไขเพราะพิจารณาทราบแล้วตั้งแต่นั้ น, น, นีเขียนจะกินก็ไม่ด้นงยแม่บวหรือถ้าไม่ยอมแม่บวชมันจะไม่มันจะไม่แล้วกันได้เรื่องเกี่ยวยังแม่กันแน่เป็นจริงจริงเนบันเก่วนีมันต้องมาบว เคยมั่งแนกบวจะอย่างง่ายนามั่งนแยี่นี่านทีเอาเลยเนี่ยมันก็เป็นระดบนางนีมันเป็นหลายครั้งเหมอนกัถ้ามันนีชนิดจางทัดๆจริงๆมันน่ากะผิดหลายครั้งในหนุ่ที่เราเคเป็นหมืนคาวมาอยู่นี่ทีะมันคือมันนั่หมนยมออก กแสดงมันจนกระทั่งเราไม่กล้าจะพูดอะไรให้ฟังเลยทำไมมือตึงๆอย่างนี้ปรากฏว่ามันเป็นเป็นรู้อย่างงี้ยรู้ว่าเป็นถ้าเราก็ไปอยู่ตรงกลางไม่ให้มีทางออกเลยที่การนี้น่ยทางมือแม่ปืนมายิงเราต่อหน้านักาก็บอกปืนแล้วนะเราหา่างกันไม่ถึงหวัว ยิงเปียงเอายิงยิงเราเรเปิดท่าให้หมดเราเหลือจะพาะตางต่างอายิงคือเขาเขบอกเขามาขอยิงข่านระาว่างนิดน่ะอายิงเราบอกปืนก็เปี้ยงเปียงเปียอย่งนั้นไม่มีทางออกเราออกไปที่ไหนไม้แต่ยิงแล้วทำไมไม่เห็นมันถล่มเห็นมันมาถูกเราก็ไม่ถูกถ้าว่าถูกมันไม่เข้ามันจะเป็นอย่างนี้มันไม่ถูกเปียงเปียงนยิงเฉย จะไม่ทั้งหมดกระถึงดินดำหมดแล้วมาเหมาะกัเขากราดท่านหมดความสามารถแล้วมีเท่านี้ความสามารถเขากาแล้ว่หาเนียพอเขากราเขารู้ปพวกข้าถินทองข้าตไพลลุมเข้ามาเราเป็นยังไงมันไม่เป็นผุยผงแบมเดรลาแต่การเสียงปุยนิ่านเขาเหมือนหพระเหมืนยืนดูอยู่ดีนี่เองพระพระ มาจับทางสระดูก็ไม i mean. ่ม wow. ีอะไรตดีๆนี w ้เราไม่ได CU ้มีอะไรเอนี้ท่านใช้การดีด้วยอะไรดีดพูดโธละวันนี้ะในนิเนี่มันบอกพอตื่นเ้ามามันเื๊มันเรื่องอะไรกันถ้ามกระหนักแต่ไม่บอกช้ำหาทางหลุดไม่ได้หาไม่บอกช้ำมันเป็นเรื่องอะไรนะคือบอกความหมายมันไม่มีหนึเรืองมันอกไนะ ต่แสดงความหมายอะางนี้ก็ไม่มีกาจะมาธิความหมายอะไรนี่ไม่ตึงพอตอนบ่ายสามโมงก็พวกตลาดก็มาเยอยมที่เนี่ยอยู่ยมน่ยนายายอุการคูนยมท่านรวมขาบัวหลังอยามาพวกตลาดรมพัก อันนี้คือต้นคุณอุปชาและองค์นอกนี้มาส่งผมแล้วมนี่เด็กผู้หญิงสาวคนนึงขอฝากเด็กคนนี้หมดเป็นทอในสำนักนี้โอ้โห อ, อ, อันนี้เองย่อมีทางไปแล้วกยกติดจนหมายจ้นุคุณมาเราแล้วก็พวกต่งางดาวเป็นพวกเจ้าหน้าสัตว์ช่ไห ก็มีเรื่องกาพอเรมาแล้วเราก็จะตีใจเห็นผลนีื่อารเรื่องการยาห้อประกาศเดียนท่านอย่างนั้นเราไม่เอาหาวายพูดอ่างเหมาะสมกับเหตุผลที่เขายอมที่เขาจะยอมเราเขาก็ยืนยันตรงลงเขาก็ต้องบอกวที่มีอยู่ที่เขที่เข้าที่นี้า็ด้วยความจําเป็นเกี่ยวกับยมแม่เราไม่ได้ก็จะสั่งสมแม่ทีแม่ขาที่เห็นมากมายนจะอยู่คนแกอล้งด้วยกันติด มาด้วยกันแม่เมืนกันเราเล่นน right right so, so ี้นคนอื่นเราก็ไม่ล่าอวามบากเด็นท่านั้นเราเล่าด้วยความจำเป็เกี่ยวกับยมแม่ไอ้ยมนม่มีื่อนดูเด้วยเฉยๆเราไม่ได้ตย้งใจเราจะสั่งสม่ยิเนี้ยขายมากมายะไรเขาบอกเขาก็เลยกับเร็ยนนั่งเพราะวันเขปาไปวันนั้นวันหลังก็เป็ตามไปถ้านบอกว่ารู้ความประสงค์ของเจ้าแม่เราทำเหมือนจิตใจไร้วรัวว ก็ดีานชอาพูดกนดีหวานไม่มีเนื้อถักข้องเราม่ถักข้องหวานเรามีความจำเป็นเนาะเราก็เห็นกันก็ไม่บอกทําท่านเราบอกทําพวกตลาดก็ยอมรับผลเราไม่มีใครขุดใครเทียดอะไรให้เรามีที่ว่าไม่บอกทําเนี่ยยินขนาดนี้ไม่บอกําพอตันลาอ๋อเรื่องนี้เหรอว่าเข่ากันปั๊เรอป็นบนี้ ตอนไหนมันสแสดงจากถึงใจแล้วมันไม่ดีเนียเรื่อยธรรมดาเป็นคนจะมาใส่บาตรนี่จิตคนบงคนเมันักกระแสของคขคิคนเป็นเขาจมา้มีรมาใส่บาตรใส่ลาหรมีจะเอาของมาสมบุรณนทานนี้นะงคืนมันจะมันจะสแสดงแต่แล้มันขึ้นได้ก็ต้องนมาสแสดง เรื่องใสบ่าเรื่องเอามาทำบุนของทำบุญมันมันแสดงเวลาเข้าที่บภาวนาแสงจิตนี้มันมาถึงกันะมาแสดงอย่งนีอันนี้มเป็นมันเป็นดยู่เป็นประจําเหมอนกนนเราไม่สนใจเพราะมันก็เป็นทํานองที่เราเคยรู้แล้วเนาะอันี้ขอเรื่องนั้นเนี่ยเรื่องเก่าเป็น เรื่องดึงลับเรื่องแปลกแต่ละครั้งนะครับ ท, ที่แสดงมันนา น, น, านจะแสด ง, งเรื่องแปลกใช่นะไหมเพื่นจะไปสมัครผมตัดสินใจผู้ป้าในเดียร์นั่นจะไปแต่คุณนิดไม่ดีมันมีความจำเป็นที่ต้องไปแต่กลาดอยู่สถานีตลองไปเลยเ่างห้เพื่ อ, อนฟังเรียกผ้ามาบอก วันนี้ผมจําเป็นที่ต้องไปออออจ่ า, า, ายด้วยคนี้เราจะมาจ่ายด้วคยคนความจาเป็นนะครับคอยฟังเสียงของผมอเลยนะนี้ผมไม่ดีนะเมื่อคืนแต่ไม่มีา ก, ามการเจ็บไอ้ไปปวดไม่เป็นอันตรายต่อทีจะเกี่ยวกับเรื่องยาล้างมือละบอกนี่ น, ะกนเกี่ยนะวกับเรื่องยาล้างมือมีความคลาดเคลื่อนได้เมื่อคืนนี้นีมันมันจะเรียนอย่างนั้นเพราะว่าก็นอต่า พอไปถึงหน้าถานีถามของรถตะกอนรถไม่ค่อยมีถามของมีรถทมมเทียนไทยไปแล้วหนึ่ไปแล้วรถเขามีรถเทียนไทยอ่พอพอๆรนทเนทยียไไนะนะนไทยรถเทียนไทยยังไม่ตายเลพราะว่าน ะ, นะนนเะว่าเพะาะเขาว่ารถเทียนไทยมันติเพราะว่ามันสะดุดติดปุ๊บนี้ควรไปรถเทียนไทยไม่ได้เลย มันขวางทันทีเลยนะเพราะว่ารถเตียนใจมันขวางในกิือสมควรจะเตือนเลยระวังมันเป็นย่งไงนี่มันขวางกันทันทีเลยทั้งเดียวก็ดินทั้งตนบึงบึงมาไปดูที่กลาวันวิ่ปุ๊บออกไปโดยกำลังวิ่งอ๋อเราพอแล้วเราพอแล้วเอาขึ้นขันนี้เลยขันนี้เลยนี่ทางขึ product, okay. ้นขันนี้ไม่มีไม่ไปขันนี้ไม่ไปนะระวังบอกครับบอกแต่บอก ขึ้นกขันนั่ไปออกไปของฝนฝ น, นตกทั้งคืนคืนทีน่ ห, หวานมีนตกตลอดไปถึงจะมาวัดตร า, าไปถึงพระเลยขุงไปง น, ง น, นั้นนละโอ้โหนกระเป๋ามันต้องเดินนำหน้าเพราะกระพามันสูงนี่เรามันค่อยทํามือโบอกเนี่ไปเป็นย่าเป็นย่าแล้วขึ้นโ น, น้น ขึ้นเงินเนี้ยลงที่นั่นก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ทั้งสามย่านสีย่านพยายามบุกไปจนได้นะแต่ทั้นอยู่คนเดียวพอกลับมาครับวันหนังเท่า น, นั้นโอ้โว้ยมันมากุ้งต่อเน้ำโอ้โหเลยรถก็เลยมาถึงแค่สองกิโลยังไงตรงนั้นก็ลงมาครับ ถ, ถ้าอ่างน้ําแล้วอะไรผ่านคอผ่านทีวอนผ่านคอ ลุยน้ำมาขนาดนี้สามสี่แห่งบางแห่งก็ได้นั่งเรือเข้ามาเขามีเรือร่อนมันล้ำกันบางแห่งไม่มีเรือมาถึงสามแห่งสี่แห่งพอขึ้นมาเนินนั้นเห็นแต่ใบไม้มันล่าดีกว่ามันแล้วก็เห็นรถเข็นไทถมันตายอยู่นั้นมันตายแล้วไถมาถึงเนินนั้นนั่นแดมันหมดแล้วมันหมดที่จะตายห่ามันเหนียดทั้งเป็นชายมาหมดแล้ว กรมที่รถไฟมาดูอยู่นะไปรถเป็นทันตายนั้นเห็นคนเอากลุ่มมากอะไรมัาตันตาดัดผลําทั้งคืนนี่งคืนเกียรแเจย่งมดมีรถคต็ันเดียดที่ง้นคนไม่มีซักคนเดียวไปดูบริเวณน้องคนที่ตัดผลกันโอ้โหหนึ่งถ้าภูมารถคันนี้ตัอนี้เอ้ยเนี่ยที่วันถึงเด็กฝางไอจีตมันไม่ยอมจะขึ้นรถคันนี้หรือคนมาก็อยู่นั้นหมดไม่ทราบว่า กลับคืนไปนน่นรถไปไหนกันมั้กลับคุนไนังเขาขมินนี่ไหนเราก็ไม่ได้ถามกันเพราะมันมีคนสักคนเดียวรถจะแ้าอยู่นั่นก็ะก็ ม, มีคนต้อมนมามีแต่รถอ๋อเจนชแชงเป็อย่างนี้เรอนี่ล่ะมาดูการห้างใบไม้ฟูเกลื่อนไปหมดเมีแต่ขี้ตรงขี้โคนเต็มหมดเพราะฝนทําทั้งคืนไม่ทําไมฝนมันเยอะ พอตื่นเช้ามาก็โอกคออกมาออกมาแต่นั้นแลมมานอนเนี่ยมาข้างที่วัดขึงมาข้างที่วัดอะไรท่านดูอย่าง ว, วัดขึงนะทำคนเหมนเิมพอตื่เช้ามาก็ขึ้นรถมาจต่เช้าเป็นวันที่ห้าค่ำพอดีมันเดอนแปดเดินเดินเดินแปด ขึ้น5่นจะเข้าพิสาโคดูควบแยกเดี่ยวแนแน่นหนึงมาถึงแลาา้วก็มาถึงก่อนเาเต้นรถเราก็หลงมาถึงตามเนียก็นหลเข้าเดินก็นมามีคนที่มารออยู่เยอะก็มากแต่ตนน้นเามาแมามาาานนต่ท่นานกำลังหลังไรเงี้ยพระบิณฑบาตกลังมาถึงก็มียังไม่มาก็มีแต่คนเ็นแน่นเพราะวันนั้นเดือวนก็ถือว่าเป็นวันรวมไปเข้าสานังนี่ถึงก มันก็เป็นมันเป็นลูกสเรื่องการเลยนมันก็เป็นดีนะแต่มาตามเวลาไม่แหนติดหรือว่าถ้ามันจำเป็นแล้วผมจะกลับวันพรุ่งนี้นีน้ม่กลับไม่น่าดีวันพร่นี้แต่มากลับม า, าถึงนี่ยด้วันที่สี่ทํางเรามาทานที่ถุงมันต้นองกนหนึ่งสิบห้าำตอนเช้าก็ินได้ออกสัมมุนนี่นนนดึกผมไม่กี่ อ, อะ นกนต้องมีความคุ้นทุกอย่งยึดตั้งมั่นทีจหนาธรรมดาธรรมดาเป็นสิ่งีไม่เคนการที่มันเด่นมากก็คือหยอเลนคนจะมาทาบุญทำทานนู้นนี่สิ่นเลยมาผ่านพิการคนประสสิองนี้ก็เหมือนกับขึ้นอากาศที่มีที่ไหนไม่รู้นะเหมือนขึ้นยุคอากาศอะ นี่ตื่นตั้งใส่คนเราก็ไม่ปอดต้นใจกัวเรานี่ลงมาแรงตัวเก่งอางนี้ไม่ไมไมจริงเพราะเม่ เ, มมเก่เงเต่งมากน้ำพุ่งแรงเพรมีพกันอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องใส่ของสารพันธุ์คนไม่เกี่ยวกับเรื่องน้ำานรับ ไม่ใช so ่เรื่องของวัตถินมาปฏิปทามันเป็นพิเศษเราจึงไม่ควรสนใจตั้งแต่อดีตปัจจุบันได้หลักเลิกเกินทุกวันนี้กำลังด้านวัตถุกำลังเหยียบย่ำพลวัตพระกรรมฐานเรนะให้พากันระมัดระวังเพราะการดูเรื่กันเป็นของไม่แน่นอนต้องระโยกระยะนันไปที่หนทีเวลาจะตั้งตังรากตั้ฐาน ในสถานที่ใดแล้วพาันไปยุ่งของเรื่องการก่อการสร้างซึ่งเป็นการทำลายที่กลบาวภาวนาอย่างยน่งผมเห็นว่าเป็นภัยอย่างยิ่งสําหรับนะักภาวนาเกี่ยวกับเรื่องยี้เรื่องการก่อสร้างเพานั้นผมเรื่องได้ปักเสมอวัดนี้ใครจะมาสร้างให้ผมมารุ่งเหรอนวัดแต่เราสร้างอางเองเขาดึงมาสร้างให้เหมืนกัรยุ่งมันเป็นภาระให้วุ่ น, น, นทํามาทะธรรมา ส่วนยากรนคงกายเป็นสมุนไพรแก่ทำภายในจิดได้เป็นการก่อสร้างมันเป็นสาเหตุที่จะทำลายโอ้โรดูนี่สัมผัสถ้ามันทาถ้ามากรรมดาบนี้ทาจนทั่วไปทางขั้นชิงเขาเป็นอย่อยางแต่สำหรับพระแล้วเรานี้ไม่ใช่สมากรรกดาเป็นกา ร, ากการาทำลายจุตตัอ เมื่อเป็นสิ่งนายได้นั่นจะเรียกธรมาเลยนะนันก็ผิดที่นั่นจะในมหาขันทั้งยังไปพูดท้พูดไรน่เขียนไม่ผู้ประกอบความภาเพียนให้พึงทั้งเก็บระมระวางสถานที่ที่ควรไปไม่ควรไปสถานที่ควรยูไม่ควรูนีสถานที่ข้างในควรยูที่ไม่ควรยูเช่น ไปกั้งสำนากหรือไปพักพอนายวิน่น้านเป็นท่า น, น้ำแม่สุดต้นไมาที่มีโลคมีการมาลมทุนมากๆก็มา่เหมาะเนี่ยสถานที่ท่านกาลังก่อสร้างหรือบทวิหารอะไรสมุทรจุโสมูีสมุทรจุโสมท่านกำลังก่อสร้างที่สร้างอะไรสถานสถานที่นั้น ไม่ควรจะเข้าไปอยู่เข้าจะเพราะเป็นการขอควรวุ่นมาจากการปฏิบัติของตกนะมัหาขังน้ำพอ่งเสียงกันเะนนอยู่ที่นีอนนน้ อ, อยู่ท่นี่ฮมงหลังผ่านทั้ง่างเลยี่เรียกว่าเสียงไก่น การดูก็ตำแหน่งนั่งตำแหน่งนี้ใ น, น, นวงกรรมฐานเรามันก็ไมเหมือนกันนะอือที่จะเชิงหัวขอดขันทางนัางจิตพวนานนะมันต่างกันหนะึ่งมากนะอืมส่วนมากมักจะเฉือยถลายเพราะฉะนั้นผมจึงวิศการที่เกียวบเมืองหัวถ้ากรรมฐานสายท่านจนะัท น, นทั์มัน่นมันเขียวกันอยางไรกับทิคบา เขาเครียดมีอยู่ในหัวใจแล้วต้องลืมตัวได้คนเราอย่างเช่นเขาเคารพนักถือแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวนิ้นเหนียวติดหัวเข้าใจวตรมงมีหงอนจวยันหนักหนักมันจะเสียแล้วิกขวิจารณ์มากกับคณะมาฐา น, น, นเราเป็นไปกรุงเทพบ่อยๆถูกอันนี้มันจะกรุงเทพลืมเนื้อลืมตัวไปจิตใจมัมีรากมีฐานมั่นคงมีทางเสียได้เอินไปได้ มือเห็นไปเนี้กไปล้มได้ในกายเป็นเรื่องกรรมฐานหาจิตไปหากจิตใจมีหลับมีฐานยังไงก็ไม่เติดจะไปนอนอยู่ในกองสมบัติก็ไม่ต็ดไม่หลงไม่เป็ดไม่ขั้วผันไม่ลืมเนื้อลืมตัวเรื่องของยุตเด็ศเต็มหัวใจนี้ยังไงก็ต็ดยังไงก็ลืมเนื้อลืมตัวเออได้ คนมีคนค็รบนักถีอแงยิ่งเขยเหมือนก็กตัวมีอนอะไปนั่นหละตรงที่มันจะเสียแต่มันฐานอย่างแท้จริงตามหลักของพระพทธจ้าและสาวท่านนำดาเนินมาต้องมีขาดเขินบวกค่องันอะไรก็เฉียงเฉียงเฉียเฉียเกี่ยวกับเรื่องวัตถุนั่นเหมาะ แต่ภายในไม่บกพร่องเริ่มความเพียรไม่บกพร่องเป็นเม่ดกระหน่วยวัตถุจัรจรจกรวยญญาณต่างๆมีความบกพร่องเป็นธรรมดามีเหมาะตั้งแต่กรรมฐ า, านเพราะงั้นใครที่ว่าท่านมาลางมื่อไรจอมซื่ออย่อเมืนท่านไปอยู่ที่ไหนมาเลยอะไรเขาจะกระสอบมันจะดีมูบ้านแตดทั้งคาเร้นเท่านั้ เราก็ไปหาที่เช่นนั้นซึ่งเป็นที่เหมาะสมแล้วเราเป็นคนหาเองไปอยู่เองแล้วมาหาต้องการเข้ากระสอบสองกระสอบอะไรตัดแล้วไม่เห็นด้วยเลยยิ่งเห็นวิเศษของพระมากลัวตายเอามือเขียนแล้วตีนลงเจ้าของอยู่ความสมัครใจไปอยู่เองโดยไม่มีใครบงังคับมันจะให้ไปอยู่เมื่อไปอยู่แล้วทําไมต้องถาว่าได้ข้อสารทั้งกระสอบจะดีพุ่มาทําไม 7.8 ล้านข้าเรือนมันไม่ตายนะเราเคยอยู่แล้ว4ล้านข้าเรือนเราก็เคยอยู่ 7.8 ล้านข้าเรือนเราก็เคยอยู่ 4.5 ล้านข้าเรือนเราเคยอยู่จํานวนไม่น้อยนะเมต่ไร่ของสองครอบครัวเราก็อาศัยชาไร่ของเราก็เคยอยู่ก็ไม่เห็นตา่างยเราไปหาเองเราไปเป็นอารมณ์กับอาหารเราจะไปหาที่อยู่เช่นนั้นไดเ้เราเป็นอารมณ์กับธรรมเรามุ่งหั่นต่อไป เราจึงไปหาที่นั่นลิ้นเรามันยาวมันกว้างนั่นเอานี้มาได้มากๆพวกมันก็โตถ้าอยู่บ้านใหญ่เมืองใหญ่มีสุขลโลกนักถือมากคนให้กาบูทําทานมากลิ้นมันก็ <c oughs> ยาวท้องมันก็ใหญ่กินอะไรไม่พอเพราะนนจึงต้องหาที่คราะห์สนาประกอบไปอยู่ในที่ ขาดเขืข่อนๆนั้นให้เขาดัดั้นดานช่วย เ, าเราโดยลำพังเราไม่สามารถจะดัดขั้นดานอของได้ช่วยสินเกี่ยวข้องสินวัดร้องให้ดัดขันดานช่วยเราจึงไปหาอยู่ในที่ฉนั้นเมื่อไปอยู่ในที่นั้นแล้วเราไม่เคยเป็นอารมณ์กับอาหารการกินแม้แต่เข้าป่าววันก็ไม่พอกจนเราไม่มาคิดว่าอ น, นี้อาหารไม่พอจะเป็นอารมณ์ ตั้งแเราอดมากี่วันเราไมเห็นตายนี่ได้ชิมดูขนาดนี้แล้วจะตายก็ตายไปสิแน่คนเรามาหาอย่างนี้นะีงนะให้เขาดักช่วยนี่เจ้าของไม่สามารถดักมึงจะวัดเถียงเราอะไรอีกนี่จจกเจ้ของมหนไหมี่เคยอยู่มานานอยู่ที่ น, นั้นน่ะมันยิ่งการเรียนดีจิตภาวนาขันต่างขันมีจะเข้าวเปล่าอ่า มันเข้าราป่าบางบางบางวันก็ไม่ยิ่มแต่มันก็เหมาะแล้วเนี่ยรับพระรหัสอย่างนั้นเนี่ยเนื้อาวนาคือทีนั่า น, านตอนเห็นลึกกันตรงนั้นนะอืนั่งภาวนานี่เป็นหัวตอนแน่วเลยมีจิตไม่วุ่นวายท่าขันก็ไม่ทับความง่วงเหงาเข้านอนนั่งน้ำรบกวนทันจะเข้าป่านี้ความหงอย ไ, ไม่ควรนะ อืมอิมอ่มไม่ถึงฉันอิ่นกว่าตามมันก็ไม่เห็นควรมันเป็นเพราะกับผมว่านะคือได้ลองทุกอย่างทุกอย่างถ้าเราถันธรมมนามีกลับมีอะไรแล้วถันน่าเท่าไรจะยิ่งง่วงมากนอนภานาคอยไปจะง่วงเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะเข้าไปเปา่าฉันอื่มมันก็ไม่เห็นง่วงมีตก็พอรู้สึกนี่ถนัด มันไม่น้อยมันก็ยิงไม่ง่วงไม่ชันเลยมันยิ่งก็ไม่ง่นี่เราหาที่นะเราไม่เราไม่ทำหนี้ติดเงยนกับเรื่องอาหารว่ามีมากมีน้อยเพราะเราไปหาเองเรียกว่ามือเขียนมือลบมือเขียนด้วยมือลบเ้ว่มืออย่างต้นกับตายต้อตรงกันยังชื่อว่าไปอยู่ของนังคับแต่ละคับหนเราไปจูงเขาใช้ได้ข้าวทดสอบจะดีทำไมเปลี่ยนนั้นน่ะ ตัวตายมันเป็นฐานเราไม่เส ร, รมิสมประมานอย่างนั้นไม่ช่ทาที่เราจะรรคนเป็นบ้าเรื่ออาหารการกินตาา่างๆเราไม่เ่เรื่อนั้นหีหมอนั้นต้องหลับเจาองหาองวุ่นวายหาเรื่องอะไรคว่าปฏิปฏิบัติที่อย่างที่ผมปฏิบัติมานี่ สมัยนี้สายวงเองนี่มันคาปฏิวัติธาต้องเป็นปฏิวัติธาออนอยากเราของเราเนะี่ยของเราเป็นปฏิปฏิวัติธาอ่อนอยากมันไม่ได้สมมูรณเราไม่หาเนี่ยความสมบูรณ์เราหาอย่างนั้นเนีดือดะไรเราจะขาดตูฟอองมันขาดไปที่ไม่ได้เป็นอารมณ ง, งแล้วเรื่องความภาพเปลี่ยนหน้าจิตใจนี้จะขาดกันไม่ได้เนี่ยคิดมั น, นแน่วอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเจาะจอย อ, อยู่ตรงนี้มันไม่ได้เจอะอี่อื่นเ้วก็เวลาจะได้ สติสตังไม่ได้อุบายต่างๆมันมันก็ได้ด้วยสถานที่เหล่านั้นที่เราหาเองมันมากกว่ากับที่เอาเป็นนตาเขาว่ามันมีอยู่สองอย่างห น, น, น, น, น, นึ่ ง, องเอาตัวเป็นอตายเขาว่ามนั่นั่งตะลุกฟาดตะลุกนั่นหรับอาหารจะเดินตัวโซเชียลเฟซจะหงุดหงิจะล้มมันจะได้อุบายะดแต่เป็นที่หนึ่งก็คือนั่งแบบเอาเข้าตะแลงแกนเลย ถึงเาไม่ยอมให่ลุกอันนี้เป็นที่นึ่นั่นแหละผมเองนี่เราทราบว่านิสัยเรามันยากถ้าไม่ทําอย่างนี้มันไม่ได้มันไม่เหมาะจะผองเองขึ้นเป็นนิสัยยาะถ้าทํานั้นแล้วถึงใจการทําถึงใจผลที่ปรากฏขึ้นมาถึงใจทุกอย่างหาที่ต้องติดไม่ได้พระองควันไหนไดกทุ่มเงินบริาัทแล้วได้ความรักันทุกขื่อไม่มีพลาดเลย สักลนไม่หวพูดทั้งนั้นจะกลดละครตายอยู่บ้างนั่นแหละพราะว่าป่าวเขาไปทั้งนี้เหมือนกันมันหาอยู่บ้านไหนบ้านใหญๆที่มีคนมาเขาลดน้ำถีมากหลังไรมาเราบ้านนี้อยู่ไม่ได้ไม่ใจ